ทศกั์นิบาตหนึ่งจตุทวารชาดกว่าด้วยเมืองมีสี่ประตูนายมิตรวินทะกะถามรุ ก, กเทวดาโพธิสัตว์ว่าเมืองนี้มีสี่ประตูมีกำแพงเหล็กมั่นคงข้าพเจ้าได้ทำกรรมชั่วอะไรจึงถูกกักขังไว้ประตูทุกบานได้ถูกปิดไว้ข้าพเจ้าถูกขังเหมือนกับนกเทพผู้ควรบูชาเหตุอะไรหนอ ข้าพเจ้าถึงถูกจากบทขยี้รุกเทวดาตอบว่านี่สหายท่านได้ทรัพย์ถึง 1,2 ึแหมื่นแล้วก็ไม่กระทำตามคำของพวกญาติผู้อนุเคราะห์ท่านได้แล่นเรือออกไปสู่สมุทรสาครซึ่งทำให้เรือโลดเต้นได้อันมีความสำเร็จน้อยท่านเมื่อมีความปรารถนามากเกินไปได้ครอบครองนารรสีนางก็ไม่พอใจนางทั้งสี่ ได้ครอบครองนารี8นางก็ไม่พอใจนางทั้ง8ดได้ครอบครองนารี16นางก็ไม่พอใจนางทั้ง16บหกได้ครอบครองนารี32นางก็ไม่พอใจนางทั้ง32จึงได้ประสบจากจากจึงพัดพันอยู่ที่ศีรษะของท่านผู้ถูกความปรารถนามากเกินไปขจัดแล้วอันความอยากที่แผ่ซ่านไปกว้างขวางยิ่งนักให้เต็มได้ยาก คนเหล่าใดย่อมกำหนัดตามความอยากนั้นคนเหล่านั้นต้องเป็นผู้ทูนจากไว้คนเหล่าใดละทิ้งทรัพย์เป็นจำนวนมากไม่พิจารณาขนทางที่ยังไม่ได้ใคร่ครวนคนเหล่านั้นต้องเป็นผู้ทูนจากไวบัณฑิตพึงพิจารณาการงานและโภคาอันภัยบูนเมื่ออยากได้ก็อย่าพึงส่องเสพสิ่งที่ประกอบด้วยความฉิบหายพึงทำตามคำบอกกล่าวของผู้อนุเคราะห์ทั้งหลาย บุคคลเช่นนั้นจักก็จะไม่พึงกล้ากลายนายมิตรวินทกะถามว่าเทพผู้ควรบูชาจากบุญศีระของข้าพเจ้าจะอยู่นานสักเท่าไหร่เล่าหนอกี่พันปีข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกเรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้ารุกขเทวดาตอบว่ามิตรวินทกะท่านจงฟังข้าพเจ้าเจ้าต้องระลึกถึงให้มากตระหนักไว้โดยยิ่งจัก ยังคงพัดผันอยู่บนศรีรษะของเจ้าเมื่อเจ้ามีชีวิตอยู่ก็จะไม่พ้นมันหรอกจจตุทวารชาดกที่หนึ่งจบ 2. กันหะชาดกว่าด้วยกันหะเรสีเท้าสักกะตรัส ก, กับเรสีกันหะว่าชายคนนี้ผิวดำหนอบริโภคอาหารสีดำอยู่ในภูมิประเทศสีดำเราไม่ชอบใจเลย ฤาสีกันหากหล่าวว่าเท้าสุชมบดีสักกะเทวราชเพราะผิวไม่นับว่าเป็นคนดำเพราะพรามมีความดีเป็นแก่นภายในผู้มีกรรมชั่วนั่นแหละนับว่าเป็นคนดำเท้าสักกะตรัสว่าท่านพรามเพราะถ้อยคาที่ท่านเจรจานั้นไพเราะเหมาะสมเป็นสุภาษิตข้าพเจ้าจะให้พรแก่ท่านตามที่ใจของท่านปรารถนา โรยศีกันหากล่าวว่าท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงหากพระองค์จะประทานพรแก่อาตมาอาตมาหวังเฉพาะความประพฤติของตนคืออย่ามีความโกรธอย่ามีโทสะอย่ามีความโลภและอย่ามีความสเสน่หาขอพระองค์จงประทานพรทั้งสี่ประการเหล่านี้แก่อาตมาเถิดท้าวสักกะตรัสว่าพราามท่านเห็นโทษอะไรในความโกรธในโทสะ ในความโลภหรือในความสเสน่หาคขาพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกแก่เขาพเจ้าเรศีกัญหากล่าวว่าความโกรธนั้นเกิดจากความไม่อดทนถึงจะน้อยก็จะมากได้ต่อไปก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเป็นความขัดข้องใจมีความคับแค้นใจเป็นอันมากเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ชอบความโกรธคนถูกโทสะครอบงำมีวาจายาบคาย ต่อไปก็ประมาท ต, ตบตีกันใช้ท่อนไม้ประหารกันที่สุดก็จะใช้ศาสตราประหัสประหารกันโทสะมีความโกรธเป็นสมุทฐานเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ชอบโทสะการปล้นฆ่าชาวบ้านการจี้ข่มขู่เอาทรัพย์การคดโกงและการหลอกลวงย่อมปรากฏมีอยู่ในบุคคลผู้มีความโลภเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ชอบความโลภ ความผูกพันที่ถูกความสเสน่หาร้อยรัดไว้อันเกิดแต่ใจนอนเนื่องอยู่เป็นอันมากย่อมทำให้เดือดร้อนมากมายเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ชอบความสเสน่หาเท้าสักกะตรัสว่าพรามเพราะถ้อยคำที่ท่านเจรจานั้นไพเราะเหมาะสมเป็นสุภาษิตข้าพเจ้าจะให้พรแก่ท่านตามที่ใจของท่านปรารถนารูศีกัญหากล่าวว่า ท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงหากพระองค์จะประทานพรแก่อาตมาอาตมาเมื่ออยู่ในป่าก็อยู่เพียงผู้เดียวเป็นนิดอาพาธ ท, ทั้งหลายที่ร้ายกาจซึ่งกระทําอันตรายได้ขออย่าได้เกิดขึ้นเลยเท้าสักกะตรัสว่าพรามเพราะถ้อยคําที่ท่านเจรจานั้นไพเราะเหมาะสมเป็นสุภาษิตเท้าพระเจ้าจะให้พรแก่ท่านตามที่ใจของท่านปรารถนาะ เรสีกันหะกล่าวว่าเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงหาพระองค์จะประทานพรแก่อัตมาใจก็ตามกายก็ตามขออย่าได้เข้าไปกระทบกระทั่งใครๆในการไหนๆเพราะการกระทำของอัตมาเลยอาตมาปรารถนาพรดังนี้กันหะชาดกที่สองจบ 3. จะจตุโปสถิยชาดก ว่าด้วยบุคคลทั้งสี่รักษาอุโบสถวรุณะนาคราชกล่าวว่านรชนใดไม่ทำความโกรธในบุคคลที่ควรโกรธและไม่โกรธในการไหนๆนรชนนั้นเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษนั้นแม้จะโกรธก็ไม่เปิดเผยความโกรธนรชนนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นสมณะในโลกพญาครุฑกล่าวว่า นรชนใดมีท้องพร่องอยู่ยังอดทนต่อความหิวได้ฝึกตนได้มีตะบะดื่มน้ำและบริโภคอาหารพอประมาณไม่ทำความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหารนรชนนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นสมณะในโลกเท้าสักกะตรัสว่านรชนใดละการเล่นและความยินดีในกลามทั้งโปรงเสียได้ไม่พูดหลอกและอะไรอะไรในโลก งดเว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายและจากเมถุนธรรมนรชนนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นสมณะในโลกพระเจ้าทนัญชัยได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าอันหนึ่งนรชนใดสละความหวงแหนและโลกธรรมทั้งปวงได้ด้วยปัญญาเครื่องกำหนดรู้นรชนั้นแหละผู้ฝึกตนมีความมั่นคงไม่ยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นของเรา หมดความหวังบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นสมณะในโลกพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดพากันถามวิทุระบัณฑิตโพธิสัตว์ว่าพวกข้าพเจ้าขอถามท่านผู้มีปัญญาไม่สามรู้สิ่งที่ควรทำพวกข้าพเจ้าเกิดมีการโต้แย้งกันในถ้อยคำทั้งหลายในวันนี้ขอท่านจงตัดความสงสัยลังเลใจให้ด้วย จงช่วยข้าพเจ้าทั้งหมดให้ข้ามพ้นความสงสัยลังเลใจนั้นเสียวิทุระบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลว่าบัณฑิตเหล่าใดได้เห็นเนื้อความบัณฑิตเหล่านั้นจึงจะกล่าวได้อย่างแยบคลายในการนั้นขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนท่านผู้ฉลาดทั้งหลายจะแนะนําเนื้อความแห่งถ้อยคําที่ยังไม่ได้บอกกล่าวได้อย่างไรนอก็พญานาคราชกล่าวสรรเสริญเรื่องอะไร พญาครุดบุตรของนางวินตากล่าวสรรเสริญเรื่องอะไรราชาแห่งคนทันกล่าวสรรเสริญเรื่องอะไรราชาแห่งชาวแคว่งกุรุผู้ประเสริฐกล่าวสรรเสริญเรื่องอะไรพระราชาทั้งสีพระองค์ตรัสกับวิทุระบัณฑิตโพธิสัตว์ว่าพญานาคกล่าวสรรเสริญขันติพญาครุดบุตรของนางวินตากล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อย พระาชาแห่งคนทันกล่าวสรรเสริญการละความอภิรม์พระราชาแห่งชาวแคว้นกุรุผู้ประเสริฐกล่าวสรรเสริญความไม่กังวลวิทุระบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลว่าคำเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสุภาษิตก็ในคำเหล่านี้หาคำที่เป็นทุกภาษิตไม่ได้สักข้อเดียวและคุณมาทมทั้งสี่ประการนี้มีอยู่ในนรชนใดอย่างมั่นคงเหมือนอย่างจีกรรม ที่สอดใส่ไว้ในดุมเกวียนนรชนนั้นแลผู้พรั่งพร้อมด้วยธรรมทั้งสี่ประการบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นสมณะในโลกพระราชาทั้งสี่พระองค์ตรัสว่าท่านประเสริฐจริงหนอยอดเยี่ยมเป็นผู้ถึงธรรมรู้ธรรมมีปัญญาดีสางปัญหาได้ด้วยปัญญาเป็นนักปราดขจัดความสงสัยลังเลใจเสียได้ เหมือนในช่างงาตัดงาช้างด้วยเลื่อยอันคมท่านผู้เป็นนักปราดเข้าพเจ้าพอใจการแก้ปัญหาของท่านนี้เป็นผ้าสีดอกอุบลผุด่องเนื้อละเอียดเสมือนควัไฟหาค่ามิได้เข้าไเจ้าขอมอบให้ท่านเพื่อบูชารำท่านผู้เป็นนักปราดเข้าพเจ้าพอใจการแก้ปัญหาของท่านนี้เป็นพวงมาลาทองคำแย้มบานมีกลีบถึงร้อยกลีบ มิเกสรที่ประดับประดาด้วยรัตนะถึงพันเข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านเพื่อบูชาธรรมท่านผู้เป็นนักปราดเข้าพเจ้าพอใจการแก้ปัญหาของท่านแก้มณีหาค่ามิได้สวยงามผุดพองเป็นเครื่องประดับคล้องคอของข้าพเจ้าเข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านเพื่อบูชาธรรมเข้าพเจ้าพอใจการแก้ปัญหาของท่านขอมอบโคนมโคผู้และช้างอย่างละพันตัว รถเทียมาอาชาในสิบคันและบ้านสวย16ตําตำบลเหล่านี้ให้แก่ท่านเพื่อบูชาธรรมพระบรมศาสดาทรงประมวลชาดกมาตรัสพระคทถาสุดท้ายว่าพญานาคในครั้งนั้นคือพระสารีบุตรส่วนพญาครุฑคือโกริตะราชาแห่งคนทันคือพระอนุรุทธะพระราชาคือพระอานนุ์ผู้เป็นบัณฑิตส่วนวิทุระบัณฑิต คือพระโพธิสัตว์เธอทั้งหลายจงทรงจำชาดกไว้อย่างนี้แหละจะตุโบสถิยชาดกที่สามจบสสังขชาดกว่าด้วยสังขพรามอุปถาก่าวกับสังขพรามว่าท่านสังขพรามท่านเป็นผู้หูสูตธรรมก็ได้ฟังมาแล้วสมณพราหมณ์ท่านก็ได้พบมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านมาแสดงอาการพร่ำเพอ้อในขณะอันไม่สมควรเลยคนอื่นนอกจากข้าพเจ้าจะมีใครเป็นที่ปรึกษาของท่านเล่าสังขพรามกล่าวว่าเทพธิดาผู้มีใบหน้างามรูปงามสวมใส่เครื่องประดับทองคำเชิญถาดอาหารทองคำมีศรัทธาและยินดีบอกเราว่าขอเชิญท่านบริโภคอาหารเถิดเราตอบปฏิเสธเทพธิดาตนนั้นอุปทากล่าวว่า ท่านพรามคนพบเห็นเทพผู้ควรบูชาเช่นนี้เมื่อหวังความสุขก็ควรจะไต่ถามท่านจงลุกขึ้นประนมมือถามเทพผู้นั้นตรงๆว่าท่านเป็นเทพธิดาหรือหญิงมนุษย์กันหนอสังกะพรามถามเทพธิดาว่าเพราะท่านมองดูข้าพเจ้าด้วยเมตตาและยังบอกเชิญข้าพเจ้าว่าบริโภคพัตาหารเถิดแม่นางผู้มีอนุภาพมากเพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านเป็นเทพธิดาหรือหญิงมนุษย์กันเนาเทพธิดาตอบว่าท่านสังฆพราหมณ์ข้าพเจ้าเป็นเทพธิดามีอนุภาพมาทำกลางสมุทสาคร น, นี้มีความเอนดูจะมีจิตประทุษร้ายก็หาไม่ข้าพเจ้ามาที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านนั่นเองท่านสังฆพราหมณ์ในสมุทสาคร น, นี้มีข้าวน้ำที่นอนที่นั่ง และยาณน า, น า, นาชานิเาพเจ้าจะมอบให้ท่านทุกอย่างตามที่ใจของท่านปรารถนาสังกบพราหม์กล่าวว่าเาพเจ้าได้บูชาและบวงสรวงมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม่เทพธิดาผู้มีเรือนร่างงดงามมีสะโพกพึงพายมีคิ้วงามเอวบางร่างน้อยท่านเป็นใหญ่แห่งบุญกรรมทุกอย่างของเาพเจ้านี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรของเาพเจ้าเล่าเทพธิดาตอบว่า ท่านสังฆพราหมณ์ท่านในภิกษุรูปหนึ่งผู้เดินกระย่งเท้ากระหายลำบากในหนทางที่ร้อนสวมรองเท้าถวายทักษินานั้นให้สมบัติที่น่าปรารถนาแก่ท่านในวันนี้สังฆพราหมณ์กล่าวว่าขอจงนิรมิตรเรือที่ทําด้วยไม้กระดานไม่รั่วใช้ใบตะไคร้น้ำเป็นใบเรือเพราะในกลางทะเลนี้ไม่เช่ภาค พ, พื้นแห่งยานอื่น ช่วยส่งข้าพเจ้าให้ถึงเมืองโมลินีในวันนี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเทพธิดานั้นปลื้มใจยินดีปรีดาได้เนรมิตรเรืออันงดงามณที่นั้นพาสังฆพราหม์พร้อมทังอุปถากชายนำไปส่งถึงเมืองอันน่ารื่นรมสังฆชาดกที่สจบ 5. จูละโพธิชาดกว่าด้วยจูลโพธิกุมาล พระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าพรามถ้าจะพึงมีคนมาพานางปริภาชิกาของท่านผู้มีดวงตางามยิ้มแย้มร่าเริงน่ารักนี้ไปโดยพระการท่านจะทำอย่างไรเล่าพระโพธิสัตว์ตอบว่าถ้าอาตมาเกิดความโกรธขึ้นความโกรธก็จะไม่พึงเสื่อมคลายจะไม่เสื่อมคลายตลอดชีวิตของอาตมาอาตมาจะห้ามความโกรธโดยพลัน เหมือนฝนหาใหญ่ระ ง, งับฝุ่นละอองพระราชาตรัสว่าวันก่อนท่านนั้นกล่าวอวดอ้างอย่างไรหนอวันนี้ดูเหมือนมีกำลังจึงทำเป็นนั่งนิ่งเย็บผ้าห่มอยู่หน้าบัดนี้พระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าอาตมาเกิดความโกรธขึ้นแล้วความโกรธไม่เสื่อมคลายจะไม่เสือมคลายตลอดชีวิตของอาตมาอาตมาได้ห้ามความโกรธเส็จแล้วโดยพลัน เหมือนฝนห่าใหญ่ระ ง, งับฝุ่นละอองพระราชาตรัสว่าทำไมความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านจึงไม่เสื่อมคลายทำไมความโกรธจึงไม่เสื่อมคลายตลอดชีวิตของท่านฉไหนะท่านจึงห้ามความโกรธได้เหมือนฝนห่าใหญ่ระ ง, งับฝุ่นละอองพระโพธิสัตว์ทูลว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นย่อมมองไม่เห็นเมื่อไม่เกิดย่อมมองเห็นได้ดี ความโกรธนั้นเกิดขึ้นแล้วแก่อัตมาจึงไม่เสื่อมคลายเพราะความโกรธเป็นอารมณ์ของคนโง่ความโกรธที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ศัตรูผู้มุ่งความทุกข์พอใจได้เกิดขึ้นแก่อัตมายังไม่เสื่อมคลายเลยเพราะความโกรธเป็นอารมณ์ของคนโง่อันหนึ่งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นบุคคลย่อมไม่อยางรู้ประโยชน์ของตัวเองความโกรธนั้นเกิดขึ้นแล้วแก่อัตมา ยังไม่เสื่อมคลายเลยเพราะความโกรธเป็นอารมณ์ของคนโง่คนถูกความโกรธใดครอบงำย่อมละเที่ยงกุศลธรรมทำประโยชน์แม้อันภัยบู์ให้เสียไปความโกรธนั้นมีเสนานหน้าสะพรึงกลัวมีกำลังย่ำยีความโกรธของอาตมายังไม่เสื่อมคลายไปเลยมหาบพิษเมื่อไม้แห้งเสียดสีกันอยู่ก็เกิดไฟป่า ไฟนั้นเกิดจากไม้แห้งอันใดก็ไหม้ไม้แห้งนั่นเองความโกรธย่อมเกิดขึ้นเพราะความแข่งดีของคนพาลผู้โง่เขลาไม่มีความรู้แม้เขาก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาพลานความโกรธย่อมเพิ่มพูนแกผู้ใดเหมือนดังไฟที่กองหญ้าและไม้แห้งผู้นั้นย่อมเสื่อมยศเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมผู้ใดระงับความโกรธียได้เหมือนไฟที่ปราศจากเชือ้อ ผู้นั้นยศย่อมบริบูรณ์เหมือนดวงจันร์ข้างขึ้นจูละโพธิชาดกที่หจบ 6. มัณฑพยะชาดกว่าด้วยมัณฑพยะขะหะดีดาเบิกระธรรมสัจวาจาว่าอาตมาต้องการบุญมีจิตเลื่อมใสประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นต่อแต่นั้นแม้จะไม่พอใจประพฤติพรหมจรรย์ ก็ยังประพฤติมาเกิน50ปีด้วยสัจจวาจานี้ขอจงมีความสวัสดีขอพิจงคลายขอยัญาณทัต ก, กุมารจงรอดชีวิตบิดากระทําสัจจวาจาว่าเพราะแต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าเห็นแขกในเวลามาพักก็ไม่ยินดีให้พักอันหนึ่งสมณะและพรามทั้งหลายแม้ผู้เป็นพระหูสูตรก็ไม่ทราบความที่ข้าพเจ้าไม่พอใจ ข้าพเจ้าแม้จะไม่พอใจก็ตามก็ยังให้ทานด้วยสัจจวาจานี้ขอจงมีความสวัสดีขอพิจงคลายขอญาณทัตลูกพ่อจงรอดชีวิตมารดากระทาสัจจวาจาว่าลูกรักอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงตัวใดได้โผล่ขึ้นจากปล่องมกัดเจ้าวันนี้อสรพิษตัวนั้นและบิดาของเจ้าไม่มีความแตกต่างกันเลย เพราะไม่ได้เป็นที่รักของแม่ด้วยสัจวาจานี้ขอจงมีความสวัสดีขอพิจงคลายขอยันยัทัตลูกชายจงรอดชีวิตนายมันทพยะถามทีปายณะดาบทว่าชนบางพวกผู้สงบระ ง, งับฝึกตนแล้วบวชเป็นดาบทมีรูปร่างไม่น่าใครไม่มีเลยนอกเสียจากกันหาดาบทท่านทีปายณะดาบทท่านรังเกยียจอะไร จึงไม่พอใจประพุทธพรมจันทร์ที่ปายณะดาบทตอบว่ากระนาดาบทนั้นเป็นคนโง่จริงหนอเหมือนกับเด็กใบ้น้ำลายออกบทด้วยศรัทธาแล้วยังกลับไปหาสิ่งนั้นอีกอาตมารังเกียดวาทะเช่นนี้ถึงไม่พอใจก็ยังประพุทธพรมจันทร์ซึ่งเป็นฐานะที่วินยูชนสรรเสริญและเป็นฐานะของสัตบุรุษอาตมาจึงบาเพ็ญบุญแม้อย่างนี้ ทีปายณะดาบทย้อนถามว่าท่านเลี้ยงดูสมณะพราหมณ์และคนเดินทางให้อิ่มน้ำเลือกข้าวและน้ำเรือนของท่านนี้เพียบพร้อมด้วยข้าวและน้ำมีพักษาหารเปรียบดังอู่ข้าวอู่น้ำเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านรังเกียจว่าท้าอะไรถึงไม่พอใจก็ยังให้ทานนี้นายมันทพยะตอบว่าปิดาและปู่ของข้าพเจ้าเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานบดี เป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอเขาพระเจ้าผู้ประพฤตตามประเพณีของตระกูลนั้นอย่าได้ชื่อว่าเป็นคนทำลายตระกูลคนสุดท้ายเลยเขาพเจ้ารังเกียจวาทะเช่นนั้นถึงไม่พอใจก็ยังคงให้ทานนี้นายมันทพยะถามพัญญาว่านี่นางผู้มีส่วทรงงามเราได้นาเจ้าผู้ยังเป็นหญิงวัยรุ่นยังไม่มีปัญญาสามารถจัดแจงรั์ ได้มาจากตระกูลญาติและเจ้าก็ไม่ได้บอกให้รู้ถึงความที่เจ้าไม่รักเรายังบำเรอเราโดยปราศจากความรักเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเจ้าจึงยังอยู่ร่วมกับเราอย่างนี้แม่นางผู้เจริญพัญญาตอบว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเนิ่นานานมาแล้วหญิงสาวคนหนึ่งทิ้งสามีแล้วได้ชายอื่นเป็นสามีไม่มีในตระกูลนี้ ขอดิฉันผู้ประพฤติตามประเพณีของตระกูลนั้นอย่าชื่อว่าเป็นคนทำลายตระกูลคนสุดท้ายเลยดิฉันรังเกียจวาทะเช่นนั้นถึงไม่พอใจก็ยังบำเรอท่านอยู่พัญญากล่าวขอโทษนายมันทพยะผู้เป็นสามีว่าท่านมันทพยะวันนี้ดิฉันพูดคําที่ไม่ควรพูดเพื่อเห็นแก่ลูกขอท่านจงอดโทษถ้อยคาที่ดิฉันพูดนั้นเถิด ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้จะยิ่งไปกว่าความรักลูกขอยัญยทั์ลูกของเรานั้นจงรอดชีวิตเถิดมันทัพยาชาดกที่หจบ 7. นิโครทาชาดกว่าด้วยพระเจ้านิโครในายโปติกะกราบทูลพระเจ้านิโครทว่าขอเดชะพระเจ้านิโครดพระองค์ทรงข้าพระทัยอย่างไร ตามที่สาขาเสนาบดีกล่าวว่าเราไม่รู้จักมันเลยว่ามันผู้นี้เป็นใครหรือเป็นคนสอดแนมของใครต่อแต่นั้นคนผู้กระทําตามคำสั่งของสาขาเสนาบดีได้ตบหน้าฆ่าพระองค์แล้วลากค อ, อนำฆ่าพระองค์ออกไปขอเดชะพระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งหมู่ชนสาขาเสนาบดีเพื่อนของพระองค์เป็นคนมีความคิดต่ำซามอากตันยูประทุสร้ายมิตร กระทำกรรมอันไม่ประเสริฐเช่นนี้พระเจ้านิโครถรัสว่าเพื่อนเรื่องนี้เรายังไม่ทราบทั้งใครใครก็ไม่ได้บอกเราถึงเรื่องที่สาขะได้กระทาการฉุดฆ่าท่านมีแต่ท่านได้บอกเราท่านส่งเสริมเพื่อนทั้งสองคือเราและสาขะให้มีอาชีพดีขึ้นคือท่านได้ให้อิสริยยศแก่พวกเราเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์สมบัตเหล่านี้พวกเราได้มาก็เพราะท่าน ในเรื่องนี้เราไม่สงสัยเลยมเมล็ดพืชที่ถูกเผาในกองไฟย่อมไม่งอกขึ้นชั้นใดความดีที่ทำในคนชั่วก็ย่อมพินาศไปไม่งอกงามชั้นนั้นส่วนความดีที่ทำในคนผู้มีความกระตันอยู่มีศีลมีความประพฤติอันประเสริฐย่อมไม่เสียหายเหมือนมเมล็ดพืชในนาที่ดีพระราชารับสั่งว่าก็เจ้าสาขาผู้นี้เป็นคนชั่วช้าคดโกง มีความคิดเยี่ยงคนชั่วจงเอาหอกแทงมันเราไม่ต้องการให้มันมีชีวิตอยู่ในโปรติกะกราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชขอพระองค์ทรงโปรดงดโทษแก่เขาเถิดชีวิตนํากลับคืนมาไม่ได้ขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพขอพระองค์ทรงโปรดงดโทษแก่คนชั่วเถิดข้าพระองค์ไม่ต้องการฆ่าเขา ในปทติกะกล่าวสอนลูกสาวลูกชายว่าควรครบแต่พระเจ้านิโครสเท่านั้นอย่าเข้าไปคบหาเจ้าสาขาเสนาบดีเลยการตายในสำนักของพระเจ้านิโครสประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ในสำนักของเจ้าสาขาเซนาบดีจะประเสริฐอะไรนิโครทะทชาดกที่เจจบ 8. ตักระชาดกว่าด้วยตักละบดิก ลูกชายวัยเจ็ดขวบถามพ่อว่าคุณพ่อขัวหอมหัวกระเทียมก็ไม่มีมันเทศก็ไม่มีมันมือเสือก็ไม่มีเมวตานก็ไม่มีเลยคุณพ่อต้องการอะไรจึงขุดหลุมอยู่คนเดียวกลางป่าช้าในป่าพ่อตอบว่าลูกรักปู่ของเจ้าทุพพลภาพมากแล้วถูกความลำบากเพราะความเจ็บป่วยหลายอย่างเบียดเบียนวันนี้ พ่อจะขุดหลุมฝังปู่เจ้าเพราะพ่อไม่ชอบใจชีวิตอย่างนั้นของปู่เจ้าลูกชายกล่าวว่าคุณพ่อได้รับความคิดอันชั่วช้านี้มาแล้วกระทํากรรมอันหยาบช้าไร้ประโยชน์คุณพ่อเมื่อคุณพ่อแก่ชราก็จะได้รับการกระทําเช่นนี้แม้จากลูกถึงลูกก็จะประพฤติตามประเพณีของตระกู น, นั้นจะขุดหลุมฝังคุณพ่อเหมือนกันพ่อกล่าวว่า นี่เจ้าเด็กน้อยเจ้าผู้กระทบข่มขู่พ่อด้วยวาจาที่หยาบลูกรักเจ้าเป็นลูกแท้ๆของพ่อกลับไม่อนุเคราะห์เพื่อกูลพ่อลูกชายกล่าวโต้อตอบว่าคุณพ่อลูกจะไม่อนุเคราะห์เพื่อกูลคุณพ่อก็หาไม่แม้ลูกก็อนุเคราะห์เพื่อกูลคุณพ่อแต่ไม่อาจจะห้ามคุณพ่อผู้กําลังทํากรรมชั่วช้านั้นจากการกระทํานั้นได้พ่อกล่าวว่า พ่อสวิทถะผู้ใดมีความชั่วช้าเบียดเบียนพ่อแม่ผู้ไม่ประทุษร้ายตนเมื่อตายไปชาติหน้าผู้นั้นจะตกนรกอย่างไม่ต้องสงสัยพ่อสวิทถะส่วนผู้ใดบำรุงพ่อแม่ด้วยข้าวและน้ำเมื่อตายไปชาติหน้าผู้นั้นจะขึ้นสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัยลูกรักเจ้าไม่อนุเคราะห์เพื่อกุลพ่อก็หาไม่ได้เจ้าอนุเคราะห์เกื่อกุลพ่อแท้แท แต่พ่อถูกแม่ของเจ้าสั่งมาจึงกระทํากรรมหยาบช้าเช่นนี้ลูกชายกล่าวว่าพัญญาของพ่อไม่ใช่คนดีเป็นแม่บังเกิดกล้าวของลูกนั่นเองพ่อควรขับแม่ออกจากเรือนไปแม่นั้นควรได้รับทุกอย่างอื่นบ้างพัญญาของพ่อไม่ใช่คนดีเป็นแม่บังเกิดกล้าวของลูกนั่นเองแม่นั้นมีความคิดชั่วช้าได้รับการฝึกแล้วหมดพยศ เหมือนช้างพังจงให้กลับมาอยู่ต่อไปตักละชาดกที่8ดจบ9ก้ามหาธรรมปาละชาดกว่าด้วยมหาธรรมปาลกุมารอาจารย์ที่สาปาโมกถามพรามว่าวัดของท่านเป็นอย่างไรอันหนึ่งพระมรรจันของท่านเป็นอย่างไรนี้เป็นผลแห่งวัดและพระมรรจันที่ท่านประพฤติดีแล้วอย่างไร พรามขอท่านโปรดบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพเจ้าว่าเพราะเหตุไรเนอพวกท่านจึงไม่ตายแต่หนุ่มๆพราหมณ์ตอบว่าพวกเราประพฤติธรรมไม่กล่าวเ ท, ท็จงดเว้นกรรมชั่วละเว้นกรรมอันไม่ประเสริฐทั้งหมดเพราะเหตุนั้นแหลพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มๆพวกเราฟังธรรมทั้งของอสัต์บุรุษและสัตว์บุรุษแต่พวกเราไม่ชอบใจธรรมของอสัต์บุรุษเลย จึงละเว้นอสัะบุรุษไม่ละเว้นสัตบุรุษเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มๆก่นอนจะให้ทานพวกเราก็ดีใจแม้ขณะให้ก็พอใจแม้ให้ไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มๆพวกเราเลี้ยงดูสมณะพราหมณ์คนเดินทางวณิพบยาจกและคนจนให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำ เพราะเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มหนุ่มอันหนึ่งพวกเราไม่นอกใจพัญญาถึงพวกพัญญาก็ไม่นอกใจพวกเรานอกจากพัญญาเหล่านั้นแล้วพวกเราประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มหนุ่มพวกเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งปวงและเว้นสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกไม่ดื่มน้ําเมาไม่พูดเท็จเลยเพราะเหตุนั้น พวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มหนุ่มปตร ท, ทั้งหลายที่เกิดในหญิงชั้นสูงมีมารยาทอันดีงามเหล่านั้นเป็นคนฉลาดมีปัญญามากเป็นพ่อหูสูตรจบไตรเพศเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มหนุมพ่อแม่พี่น้องหญิงชายลูกเมียและเราทั้งหมดก็ประพฤติธรรมเพราะเหตุโลกหน้าเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มๆ ถ้าชายหญิงบุคคลรอบข้างที่อาศัยเลี้ยงชีพและคนงานทั้งหมดก็ประพฤติธรรมเพราะเหตุโลกหน้าเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่มหนุ่มพราหมณ์แสดงคุณของผู้ประพฤติธรรมว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำที่ตนประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ถึงทุคติ ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนธรรมปาละกุมารของเรามีธรรมคุ้มครองยังอยู่เป็นสุขกระดูกที่ท่านนำมาเป็นกระดูกคนอื่นมหาธรรมปาละชาดกที่เกจบ 10. กุกุตะชาดกว่าด้วยพญาไกาพญาไกากล่าวว่าไม่ควรวางใจในคนทำความชั่ว คนพูดเลาะและคนเห็นแก่ตัวแม้คนที่สงบเกินไปก็ไม่ควรวางใจเพราะว่ามีคนพวกหนึ่งเป็นเช่นกับโคกระหายน้ำเพียงแต่พูดเสียสีมิตรแต่ไม่กระทำตามที่พูดผู้ใดดีแต่ประนมมือไหว้พูดวกวนเป็นมนุษย์กระพี้ไม่มีความกระตันยูผู้นั้นก็ไม่ควรนั่งใกล้อันหนึ่งไม่พึงวางใจสตรีหรือบุรุษผู้มีจิตแปรปรวน แม้คนเปิดเผยความสัมพันธ์มีประการต่างๆเช่นนั้นก็ไม่ควรวางใจคนผู้ตกอยู่ในกรรมชั่วมีวาจาไม่มั่นคงฆ่าได้ทุกคนเหมือนดาบที่ลับแล้วซ่อนไว้แม้คนเช่นนั้นก็ไม่ควรวางใจคนบางคนในโลกนี้เป็นคนเทียมมิตรมีวาจาคมคายแต่ไร้น้ำใจเข้าไปหาด้วยอุบายต่างๆแม้คนเช่นนั้นก็ไม่ควรวางใจ คนใดเห็นอาิตต์หรือทรัพในที่ใดยังละทิ้งเพื่อนนั้นไปเสียได้คนเช่นนั้นเป็นคนโง่ทำลายมิตรพระราชาตรัสว่าสัตว์จำนวนมากปกปิดตนไว้เป็นคนเทียมมิตรคอยคบหาอยู่คนเหล่านี้เป็นคนชั่วควรละเว้นเสียเหมือนไก่ละเว้นเหยี่ยวอันหนึ่งผู้ใดไม่รู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นจะตกอยู่ในอานาจของศัตรู และจะเดือดร้อนในภายหลังส่วนผู้ใดรู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นย่อมพ้นจากความขับขันอันเกิดจากศัตรูเหมือนไก่พ้นจากเยี่ยวคนผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีปกติกำจัดอยู่เป็นนิดเหมือนบ่วงที่เขาดักไว้ในป่าฉะนั้นนรชนผู้มีปัญญาพิจารณาควรเว้นให้ห่างไกลเหมือนไก่ในป่าไผ่จะเว้นเ ย, ยว่ ปกุตตะชาดกที่สิบจบสิอมัถกุลทลีชาดกว่าด้วยมัถกุลทลีเทพบุตรพรามณ์จะถามมานพบว่าเจ้าประดับตกแต่งร่างกายใส่ต่างหูเกลี้ยงทัดทรงดอกไม้มีกายรูปไร้ายด้วยจุลแก่นจันทแดงประคองแขนคร่องครวญอยู่กลางป่าเจ้ามีทุกเรื่องอะไรมานพบตอบว่าเรือนรถที่ทําด้วยทองคํา งามผุดพ่องเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังหาล้อรถทั้งคู่นั้นไม่ได้เพราะความทุกขนั้นข้าพเจ้าจักยอมสละชีวิตพราหมณ์รับรองว่าพ่อมานพูเจริญล้อทองคําล้อแก้วมณีล้อทองแดงหรือล้อเงินจงบอกข้ามาข้าจะจัดล้อทั้งคู่ให้เจ้ามานพเรียกล่าวแก่พราหมณ์นั้นว่า ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองย่อมปรากฏในท้องฟ้านั้นรถทองของข้าพเจ้าย่อมงามด้วยล้อทั้งคู่นั้นพรามกล่าวว่าพ่อมานบเจ้ า, งาโง่นักที่มาปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนา่าเข้าใจว่าเจ้าจากตายเสียเปล่าเพราะเจ้าไม่มีทางจะได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เลยมานบกล่าวว่าแม้การโคจรไปมาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังปรากฏ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 เจ้าช่วยระ ง, งับข้าผู้เร้าร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดได้เหมือนคนใช้น้ําราดดับไฟที่ติดเปลียงเจ้าได้บรรเทาความเศร้าโศกของข้าผู้กําลังเศร้าโศกถึงบุตรชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียบที่หัวใจของข้าขึ้นได้แล้วหนอพ่อมานพข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้แล้วเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศก ไม่คุณมัวไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเจ้ามัทกุลทรีชาดกที่11อจบ 12. พิลาระโกิยาชาดกว่าด้วยเท้าสักกะทรมาเศษธตีตีนแมวเท้าสักกะตรัสว่าสัปุรุษทั้งหลายถึงจะไม่หุงต้มกินเองได้โพชชนะมาก็ปรารถนาที่จะให้ส่วนท่านหุงต้มกินเอง ฉไนเล่าจึงไม่ให้การไม่ให้นั้นไม่สมควรเลยคนไม่ให้ทานเพราะเหตุสองอย่างนี้คือเพราะตรณีหนึ่งเพราะประมาทหนึ่งผู้รู้เมื่อหวังบุญควรให้ทานคนตรนี่กลัวต่อความหิวความกระหายอันใดจึงไม่ให้ทานภัยคือความหิวและความกระหายนั่นแหละย่อมมีแก่เขาผู้ไม่ให้คนตรหนี่กลัวต่อความหิวและความกระหายอันใด ความหิวและความกระหายนั่นแหละย่อมเบียดเบียนเขาผู้เป็นคนพานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบเมืองมนทินกําจัดความตระหนีแล้วพึงให้ทานเพราะบุญเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในโลกหน้าสุริยะเทพบุตรเสด็จลงมาแล้วขออาหารว่าอสัตบุรุษ ท, ทั้งหลายเมื่อจะให้ทานชื่อว่าให้ได้ยากเมื่อจะกระทํากรรมก็ชื่อว่าทําได้ยาก ทำของสัตบุรุษทั้งหลายพวกอสัตบุรุษรู้ได้ยากและพวกอสัตบุรุษก็ทําตามได้ยากเพราะฉะนั้นสัตว์บุรุษและอสัตบุรุษจึงมีคติที่ไปจากโลกนี้ต่างกันคือพวกอสัตบุรุษย่อมไปสู่นรกพวกสัตว์บุรุษย่อมไปสู่สวรรค์มาตลีเทพบุตรเสด็จมาแสดงธรรมว่าแม้มีทายธรรมเพียงเล็กน้อยคนพวกหนึ่งก็ให้ คนพวกหนึ่งมีทยธรรมมากแต่ไม่ให้ทักษิณาจากทายธรรมส่วนน้อยที่บุคคลให้แล้วนับได้เสมอกับการให้ตั้งพันปัญจะสิกขาเทพบุตรเสด็จมาแสดงธรรมว่าแม้ผู้ใดที่แสวงหาอาหารเลี้ยงลูกเมียเมื่อมีรายได้น้อยก็ยังให้ทานผู้นั้นชื่อว่าผู้ประพฤติธรรมการบูชาของคนที่บูชายันด้วยทรัพย์จานวนพัน นับแสนคนเหล่านั้นยังไม่ถึงแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของคนจนผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเช่นนั้นเลยเศรีได้ฟังดังนั้นแล้วเรียกกล่าวว่ายันอันไพบูร์เพราะมีค่ามากนี้เหตุใดจึงไม่มีค่าเท่าทเทียมทานที่บุคคลให้แล้วโดยสม่ำเสมอเล่าอันหนึ่งการบูชาของคนที่บูชายันด้วยทรัพย์จานวนพันนับแสนคนเหล่านั้น ยอมไม่ถึงแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของคนจนผู้ประพฤติทำเช่นนั้นเป็นอย่างไรวันจะสิกขาเทพบระบุกล่าวว่าเพราะว่าคนพวกหนึ่งตั้งอยู่ในกายกรรมเป็นต้นอันไม่สม่ำเสมอทรมานสัตว์บ้างฆ่าสัตว์บ้างทำให้สัตว์เศร้าโศก บ, บ้างแล้วจึงให้ทานทักษินานั้นมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาประกอบด้วยอาชญาจึงไม่เท่าราคาของทานที่เขาให้อย่างสม่ำเสมอ การบูชาของคนที่บูชายันด้วยทรัพย์จํานวนพันนับแสนคนเหล่านั้นยังไม่ถึงแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของคนจนที่ประพฤติธรรมเช่นนั้นด้วยอาการอย่างนี้พิลาระโปสิยชาดกที่สิองจบ 13. จักรวากะชาดกว่าด้วยนกจักรภาคกล้าถามนกจักรภาคว่านกจักรภาค ท่านมีสีสวยรูปงามล่ำสันเลือดฝาดดีสวดทรงงามใบหน้าผ่องใสท่านจับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาคงกินอาหารอย่างนี้คือปลากาปลากระบอกปลาหมอปลาเค้าและปลาตะเพียนน่ะสินกจักรภาคปฏิเสธคำพูดของกา น, นั้นว่าเขาพระเจ้าไม่ได้กินอาหารชนิดนี้หรือสัตว์บกสัตว์น้าเลยนอกจากสาหร่ายและจอกแหน เพื่อนสาร่ายและจอกแหนนี้เป็นอาหารของข้าพเจ้ากาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าสาร่ายและจอกแหนนี้เป็นอาหารของนกจักระภาคเพื่อนแม้ตัวข้าพเจ้าก็ยังกินอาหารที่มีรสเค็มและคลุกเคล้าด้วยน้ํามันในบ้านซึ่งเป็นอาหารที่เขาปรุงกันในหมู่มนุษย์เป็นของสะอาดเจอด้วยเนื้อนกจักระภาคแต่สีสันของข้าพเจ้าไม่เหมือนท่าน นกจักรภาคได้กล่าวว่าท่านเบียดเบียนหมู่มนุษย์ต้องคอยมองดูผู้ที่ผูกเวรในตนกินอย่างหวาสะดุง้งตกใจกลัวเพราะเหตุนั้นสีสันของท่านจึงเป็นเช่นนี้กาท่านเป็นศัตรูกับชาวโลกทั้งปวงได้ก้อนข้าวมาด้วยความชั่วไม่ทําให้ผู้อื่นอิ่มน้ำเพราะเหตุนั้นสีสันของท่านจึงเป็นเช่นนี้เพื่อนเขาพระเจ้าไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์ทั้งปวง มีความขนขวายน้อยไม่หวาดระแวงไม่มีความเศร้าโศกไม่มีภัยแต่ที่ไหนกินอยู่ท่านนั้นจงสร้างอนุภาพขึ้นจงเลิกประพฤติแบบเดิมเสียเที่ยวไปในโลกโดยไม่เบียดเบียนจากเป็นที่รักของชาวโลกเหมือนอย่างข้าพเจ้าผู้ใดไม่ฆ่าเองไม่ใชให้ผู้อื่นฆ่าไม่ทำทรัพย์ให้เสื่อมไปไม่ใช้ผู้อื่นทำทรัพย์ให้เสื่อมไปมีจิตเมตตาในสัตว์ทุกจำพวก ผู้นั้นไม่ก่อเวรกับใครๆจกรกะกล่าวกัชชาดกที่13จบ 14. ผู้ริปัญญาชาดกว่าด้วยผู้มีปัญญากว้างขวางพระราชาตรัสว่าท่านผู้มีปัญญากว้างขวางได้ยินว่าคำที่ท่านอาจารย์สเสนกะกล่าวเป็นความจริงเพราะสิริความเพียรและปัญญาคุ้มครองท่าน ผู้ตกอยู่ในอำนาจของความเสื่อมไม่ได้ท่านจึงต้องบริโภคก้อนข้าวเหนียวที่มีแกงน้อยพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าเราเมื่อเพิ่มพูนความสุขด้วยความลำบากพิจารณาดูการอันควรไม่ควรจึงหลบซ่อนตามความพอใจแต่ไม่ปิดช่องทางแห่งประโยชน์ด้วยเหตุนั้นจึงพอใจกินข้าวเหนียวอันหนึ่งเรารู้เวลาที่จะทําความเพีย และเพิ่มภูนประโยชน์ด้วยปัญญาทั้งหลายเยื้องย่างอย่างการเยื้องกลายแห่งราชสีแม้ต่อไปท่านก็จะเห็นเราด้วยความสำเร็จอันนั้นพระราชาเมื่อจะทรงทดลองบัณฑิตจึงตรัสว่าก็คนพวกหนึ่งแม้มีความสุขก็ไม่ทำความชั่วคนอีกพวกหนึ่งเพราะกลัวการเกี่ยวข้องกับการถูกติเตียนจึงไม่ทำความชั่วส่วนท่านเป็นผู้มีความคิดวางขวางมาก เพราะเหตุใรจึงไม่ก่อทุกข์ให้แก่เราพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าธรรมดาบัณฑิตไม่ประพฤติกรรมชั่วเพราะเหตุความสุขแห่งตนแม้ถูกความทุกข์กระทบถูกต้องพลาดพลั้งไปก็สงบอยู่ได้ไม่ละทิ้งธรรมเพราะความรักและความชังพระราชาตรัสมายากษตรว่าบุคคลพึงยกตนที่ต่ำช้าขึ้น ด้วยเหตุเล็กน้อยหรือรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนภายหลังพึงประพฤติธรรมพระโพธิสัตว์แสดงอุปมาด้วยต้นไม้ว่าบุคคลนั่งก็ตามนอนก็ตามที่ร่มเงาต้นไม้ใดไม่ควรหากรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะว่าคนประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวสามคนผู้รู้แจ้งธรรมแต่สำนักอาจารย์ใด อันหนึ่งการที่สัตว์ปรุษทั้งหลายกำจัดความสงสัยของคนผู้นั้นได้นั่นและนับว่าเป็นที่พึ่งที่พานักของเขาคนผู้มีปัญญาไม่พึงทำลายไมยตรีกับอาจารย์นั้นเลยพระโพธิสัตว์อนุสารพระราชาว่าเครหหัสผู้บริโภคกามเกียรคร้านไม่ดีบัปรปะชิตไม่สํารวมไม่ดีพระราชาไม่ทรงไข้ครวญก่อนแล้วทาไม่ดี การที่บัณฑิตโกรธไม่ดีข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศกระสัด ท, ทรงไคร่ครวนก่อนแล้วจึงควรทำไม่ทรงไครครวนก่อนแล้วไม่ควรตัดสินยศและเกียตรติย่อมเจริญแด่พระราชาผู้ทรงไครครวนก่อนแล้วจึงทำภูริปัญญชาดกที่สิจบ 15. มหามังคลชาดกว่าด้วยมหามงคล สิทธิผู้เป็นหัวหน้าถามอาจารย์ว่าในเวลาต้องการความเป็นมงคลนรชนไร้พระเวทอะไรนรชนนั้นเรียนพระเวทอะไรหรือบรรดาสุตะเรียนสุตะบทไหนและกระทาอย่างไรจึงได้รับความคุ้มครองโดยสวัสดิภาพทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระโพธิสัตว์บอกมงคลว่าเทวดาและเทพปิดรทั้งปวงสัตว์เลื้อยคลานและสรรพสัตว์ทั้งปวง อันผู้ใดแผ่เมตตาอยู่เป็นนิดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการแผ่เมตตานั้นในสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นความสวัสดีของผู้นั้นพระโพธิสัตว์กล่าวมงคลต่อไปอีกว่าผู้ใดมีความประพฤ ต, ถติถ่อมตนต่อชาวโลกทั้งปวงคือต่อหญิงชายทั้งหลายพร้อมทั้งพวกเด็กเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคําที่หยาบคายไม่กล่าววาจาที่ขัดแยง้งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวความอดกลั้นนั้นว่า เป็นความสวัสดีของผู้นั้นผู้ใดมีปัญญามีความรู้ในเมื่อเหตุเกิดขึ้นไม่ดูหมินมิสหายโดยศิลปะสกุลทรัพย์และโดยชาติบัณฑิตทั้งหลายกล่าวความไม่ดูหมินนั้นในสหายทั้งหลายว่าเป็นความสวัสดีของผู้นั้นผู้ใดผู้จะไม่โกหกคบเพื่อนดีและไม่ประทุษร้ายมิตรแบ่งปันทรัพย์ของตนให้ บัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวการกระทํานั้นในมิตรทั้งหลายว่าเป็นความสวัสดีของผู้นั้นผู้ใดมีพัญญาซึ่งมีไวัเท่าเท่ากันสามัคคีกันคล้อยตามกันเป็นผู้ใคร่ทำให้กําเนิดลูกได้เป็นหญิงมีสกุลมีศีลมีความซื่อสัตย์จงรักพักดีต่อสามีบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวการประพฤตินั้นในพัญญาทั้งหลายว่าเป็นความสวัสดีของผู้นั้น ผู้ใดมีพระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่ชนทรงมีพระเกียติยศยังรู้ความเป็นผู้บริสุทธิ์และความภาคเพียรโดยปราศ จ, จากความคลางแคลงพระไทยว่าผู้นี้เป็นเพื่อนร่วมใจของเราบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวความไม่คลางแคลงพระไทยนั้นว่าเป็นความสวัสดีของผู้นั้นในพระราชาทั้งหลายผู้ใดมีศรัทธามีจิตเลื่อมใสพลอยอนุโมทนา ให้ข้าวน้ำดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เป็นทานบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการให้ทานนั้นว่าเป็นความสวัสดีของผู้นั้นในสวรรค์ผู้ใดเป็นผู้คงแก่เรียนทั้งหลายผู้สำเร็จด้วยการประพฤติชอบเป็นสัตว์ปรุษได้ยินได้ฟังมามากเป็นผู้สแสวงหาคุณความดีมีศีลชำระล้างด้วยธรรมของพระอริยะ ปันดิต ท, ทั้งหลายกล่าวการชำระล้างด้วยธรรมของพระอริยะนั้นว่าเป็นความสวัสดีในถามกลางพระอรหันต์ของผู้นั้นพระโพธิสัตว์รวมยอดเทศนาด้วยพระอรหันต์ตรัสมหามงคล8ประการว่ามงคลทั้งแปประการเหล่านี้เป็นความสวัสดีในโลกที่ท่านผู้รู้สรรเสริญมีความสุขเป็นกำไรขอเชิญนรชนคนมีปัญญาในโลกประพฤตปฏิบัติมงคลเหล่านั้นเถิด เพราะในมงคลทางโลกไม่มีอะไรจริงซักอย่างเดียวมหามังคละชาดกที่15จบ 16. คขะตะปันทิตะชาดกว่าด้วยขะตะบัณฑิตโรหิเนอยะอ ม, มาตสนทนากับพระเจ้าวาสุเทพว่าขอเดชะพระเจ้ากันหโะโปรเสด็จลุกขึ้นเถิดทรงบันทมอยู่ทาําไม พระองค์มัวทรงพระสุบินจะมีประโยชน์อะไรพระเจ้าน้องยาเธอผู้เป็นดังดวงพระหาฤทัยและนายเนรเบื้องขวาของพระองค์มีลมกำเริบข้าแต่พระเจ้าเกษวะพระเจ้าคตะบัณฑิตพร่ำเพรออยู่พระาศาสดาตรัสว่าพระเจ้าเกษวะครั้นได้ทรงสดดับวาจาของโรหิเนยะอมาตนั้นรีบเสด็จลุกขึ้น ทรงกระวนกระวายเพราะความโศกถึงพระเจ้าน้องยาเธอพระราชาตรัสกับขตะบัณฑิตว่าเจ้าบ่นเพ้อว่ากระต่ายกระต่ายไปทั่วพระนครทวาราวดีนี้เหมือนคนบ้าเพราะเหตุไรใครลักกระต่ายของเจ้าไปพระราชาได้ตรัสอีกว่าจะเป็นกระต่ายที่ทำด้วยทองคำด้วยแก้วมณีด้วยโลหะหรือจะเป็นกระต่ายที่ทำด้วยเงินด้วยสัง ด้วยสิลาด้วยแก้วประพานก็ตามทีพี่จะให้เขาทํามอบให้เจ้าทุกอย่างแม้กระต่ายอื่นๆที่มีอยู่ในป่าหากินอยู่ในป่าพี่จะนำกระต่ายแม้เหล่านั้นมาให้เจ้ากระต่ายชนิดไหนเล่าที่เจ้าปรารถนาขตะบัณฑิตกราบทูลว่ากระต่ายทั้งหลายบรรดาที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินหม่อมฉันไม่ต้องการหม่อมฉันต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์ ขอเดชะพระเจ้าเกศวะขอพระองค์จงนำกระต่ายนั้นลงมาประทานแก่หม่อมฉันพระราชาตรัสว่าน้องเอย๋ยเจ้าปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนามาต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์จกต้องละทิ้งชีวิตอันเป็นที่รักไปอย่างแน่นอนคตะบัญเดกกราบทูลว่าขอเดชะพระเจ้ากันหะพระเจ้าพี่ก็ทรงทราบอย่างที่ทรงสอนคนอื่นเขา แต่ทำไมพระโอรสที่สิ้นพระชนไปก่อนแล้วพระเจ้าพี่จึงยังทรงโศกเศร้าจนถึงทุกวันนี้เล่าขะตะบัดิตเดียกกราบทูลต่อไปอีกว่าฐานะอันใดที่มนุษย์หรืออมนุษย์ไม่ควรได้คือลูกของเราที่เกิดมาแล้วขออย่าได้ตายเลยฐานะอันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จะได้มาจากไหนเหล่าขอเดชะพระเจ้ากันฮะจะใช้เวทมนต์เพศสัตว์รากไม้ โอรสต่างๆหรือพระราชทรัพย์ก็ไม่สามารถจะพาพระราชโอรสที่ล่วงลับไปแล้วที่พระองค์ทรงเศร้าโศกถึงอยู่กลับคืนมาได้พระราชาทรงสรรเสริญขตะบัณฑิตว่าพระราชาผู้มีพวกอำมติที่เป็นคนเฉลียวฉลาดเหมือนขตะบัณฑิตทำเราให้สางเศร้าโศกได้ในวันนี้จะมีความเศร้าโศกมาจากไหนเล่าเจ้าช่วยระ ง, งับพี่ผู้เร่าร้อนให้สงบ ดับความโกวนกระวายทั้งหมดได้เหมือนคนใช้น้ําราดดับไฟที่ติดเปลียงเจ้าได้บรรเทาความเศร้าโศกของพี่ผู้กําลังเศร้าโศกถึงบุตรชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศกซึ่งเสียบที่หาไทยของพี่ขึ้นได้แล้วหนอพ่อขตะบัณฑิตพี่ซึ่งเจ้าได้ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศกขึ้นได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกไม่มีความขุ่นมัว จะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคําของเจ้าพระศาสดาตรัสคถาสุดท้ายว่านรชนทั้งหลายผู้มีปัญญาจะเป็นผู้อนุเคราะห์ย่อมกระทําให้ผู้อื่นปราศจากความเศร้าโศกเหมือนขตบัณฑิตทําให้เชฐพาดาปราศจากความเศร้าโศกขตปันติตะชาดกที่สิหจบรวมชาดกที่มีในนิบาดนี้คือหนึ่ง จตุทวารชาดก 2. กันหะชาดก 3. จตุโปสถิยะชาดก 4. สังขชาดก 5. จุลโพธิชาดก 6. มัทพยชาดก 7. นิโคระธชาดก 8. ตักละชาดก 9. มหาธรรมปาละชาดก 10. กุกุตตะชาดก 11. มัทตุณทลีชาดก 12. พิลาระโกศยชาดก 13. จักกวากะชาดก 14. ภูริปัญญาชาดก 15. มหามังคลชาดก 16. คขะตะปันทิตชาดกทศกะนิบาจบ